มีคนพูดได้ทำไมขอไม่แห่เนี่ขยขยอมบัดไหนวะฮะขยอมมัดไหนะฮ ะ, มมนฮะกำแพงเพชรโอ้โหกำแพงยังเป็นเพชรเลยต้องอาศัยแล้วกำแพงเป็นเพชรเลยอืม เราต้องฝึกไว้บ้างเป็นสาสชนะวิธีวิธีกรรมที่ว่าสำคัญก็สำคัญเจ่าไม่สำคัญก็บางทีเราก็ละเลยอันนี้เป็นวัตรนะไม่ใช่ว่าเทศไปร้องไห้ไปปิติอีน้ะ เทนไปซะือื่นไปเนาะโอ้โหอันนี้ปิติแรงวันนี้โอ้โหลูเล็กแดงด้วยอะไรหรออะไรกันเตียหรางยังไม่ได้แสดงเลยยังไม่ได้ทำงานในจ่ายค่าแรงซะแล้วโอ้โหที่นี้มันดีจังเลยเนี่ยยังไม่ทางานในจ่ายค่าแรงซะแล้วออน้ามาบ่อยๆเนาะ ปกวยวก็ต้องทำงานก่อนก็จ่ายค่าแรงนี่ก็ดีจริงๆเลยอ่าต่างแค่ฟังแป๊บหนึ่งเนะาะแล้วก็เราคุยกันมากกว่ากว่าประเทศถ้าเป็นบอกประเทศที่จะลักษณะแล้วก็อ้มันไม่น่าฟังน่าเบือ่อเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ยังไม่เคยมา มาที่นี่เมื่อส6ปีที่แล้วหลวงพ่อเคยอยู่ที่นี่สามสกวปีแป๊บเดียวสภาพขาอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ไม่มีฟืนไม่มีไฟเล ย, เยไม่มีอะไรขั้นเลยเนี่ ย, ยสภาพเดิมๆเป็นลมฝนคือสภาพเวลาขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้ทาวัดทาบา น, นโอ้ ลมแรงหมอกเมื่อก่อนสภาพอากาศไม่ใช่อย่างนี้ระยะสี่เมตรห้าเมตรมองไม่เห็นกันหมอกเยอะเยอะมากลงไปบินทาบาทข้างล่างไปสองสายมันป่าไม้กับเกษตรก็เลยป่าไม้กับเกษตรแล้วก็บานมกคือบ้านประจำคือบานขนไมววัด เมื่อก่อนบ้านอยู่ซ้ายมือที่เรามาอยู่ขวามือตอนนย้ายเป็นบ้านไม่กี่หลั ง, งก็คือสภาพเดิมเดิมเมื่อปีประมาณ2530จริงๆวัดเดิมอยู่ข้างล่างอยู่โครงการหลวงอยู่ข้างหลังตอนีเขาขอที่ใช้สอยเฮลิคอปตอรย้ายขึ้นมาข้างบนข้างบนตอนนี้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ข้างหลังเราเนี่ยเป็นต้นน้ําต้นน้ำเขาไม่มีอะไรมากแค่ไม่พายพายซีกแล้วก็ไปวางแหยวไว้ก็ไหลลงมาทำรางน้ําน้ําง่ายแต่ว่าถากนี่ยโอ้มีใครอยากไปต้นน้ําทางมันเยอะอนี่นคือสภาพเมื่อสามสิบหกปีที่แล้วรถ ล, ลาไม่ต้องพูดถึงบ้านเราไม่มีรถไม่กันไม่ีใครมีรถที่มีจานวนรถของ โครงการหลวงเจ้ที่วงการหลวงแล้วเข้าไปไหนไม่ไหนก็อาศัยเข้าไปถ้าก็ไม่ไปก็ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามไข้ที่นี้ห้ามถ้าเป็นก็ช่วยอะไรไม่ได้คือสภาพสมัยก่อนเรกาก็อยู่ปลาอยู่ปลากันจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วไปต่อออกภาษาแล้วหน้าร้อนหน้าแรงก็ไปต่อ นี่อยู่แต่นี้ปรบเผิดว่าศาลาพังมันหลายศาลาแล้วสับสิบก็ปีนี้นหลังนี้ไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังแรกที่เราเห็นหลังแรกก็อยู่ตรงนี้ตรงบมที่เราขึ้นมาทางศาลาเนี่ยพังไปแล้วสองสามรอบประติธาว น, นหลังเดียวนั้นก็เป็นมงตองถึงมุงยางคา่แล้วไม้ไผ่สับสับสัก็เรียกเอฝาฝาก กุฏิก็อยู่กันอย่างนั้นห้องน้ําก็ดากแดดตักฝนเข้ามาไม่มีห้องน้ําในตัวสภาพเล่งกันอยู่กันกินทีไม่ต้องกังวถึงชาวบ้านเขากินยังไงพระก็จะกินอย่างนั้นชาวบ้านเขากินแกงอะไ ร, ระกินข้าวเปล่าเขาก็ต้องข้าวเปล่ามันไม่มีไม่มีตลาดไม่มีอาหารแต่เราก็อยู่กันได้แล้วเขาลอด สายไปแล้วคนนี้ลุนเก่เาๆตายหมดแล้วพูดถึงสภาพกันอยู่ปากัหนหนกถึงสภาพตอนนี้นสมมติว่าพวกเราลองดับฟืนดับไฟดูเหมือนเหมือนพระหนังตายต้นไม้กลางกดดูสภาพมาทุกทิศทางทก็เหมือนกับพระเหมือนพระทุดง ปลาช้ามัง่งตายต้นไม้มัง่งก็จะดูได้มาเห็นพวกเรากันได้กวอาจารย์แต่และองค์ปีนี้เราปรับเหตุงานกระถิ่นซึ่งเป็นี้ก็หาปัจจัยเพื่อสร้างทีลแรกก็ตั้งเป็นศาลานิดเดียวยาวเป็นโบสถ์เลยแกไปแกมาบานปลาย ตอนนี้ก็หมดหมดไปเยอะแล้ววัดมีโยน1น้าล้านตอนนึงก็ไม่เหลือแล้ววัดก็ไม่เหลือแล้วอันที่ทมแล้วก็รักษาพราก็าช่วยอุทรุกในจชภาพแม่เจี๊ยบสลาโคง้งล่างแม่ทุมที่เป็นเภาพก็ทึงปีนีอ้อาไรคือเชื่อภาพนี่ ให้เข้าหิสพวกเราว่าการสร้างโบสถ์สร้างศาลาความสําคัญหรือความหมายถ้าเราสร้างสําเร็จเสร็จเส้นหนึ่งไปแล้วจะเป็นที่ที่เกิดของพระพอต้องอาศัยโบสถ์ในโบสถ์เพราะนั้นเสร็จแล้วฉลองโบสถ์และอาจจะมีคนบสถบ้านเรานี่ยแหละบุตรฉลองโบสถ์เพราะนั้นโบสถหรือว่าโบสถ์ก็จึงเป็นสถานที่ให้เกิดพระ กับคนธรรมดาเป็นพระพระธรรมดาถ้าปฏิบปฎีปฏิปฎโชดนี่าานเป็นพระอริยะพระอราหันต์ความสำคัญเป็นพระอริยะพระอรหันต์ก็เกิดก็ได้แค่องคเดียวเป็นที่พึ่งของคนเท่างหลายเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเหมือนพระแม่ครพระอาจารยาา์ที่เราเคารพนับถือแค่องค์เดียวก็เป็นที่พึ่งของศาสนาทั้งหลายความสําคัญทีนี้ถ้าเปรียบเทียบอุ ป, มอปม์มาบุญใหมโบสถ วิหารวิหารแปลว่าเครื่องอยู่จริงๆแล้วแปลว่าเครื่องอยู่วิหารละแปลว่าเครื่องอยู่ทีนี้ถ้าจะให้เป็นธรรมะก็เรียกวิหารละธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่วิหารละธรรมทําเป็นเครื่องอยู่ข้อแรกก็คือเหมือนตอนนี้สภาพตอนนี้เลยเราเพิ่งมีโครง ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องมวงเครื่องบงังมันไม่สามารถที่จะกันแดดกันลมกันฝนได้ได้ไดไดสภาพตอนนี้ถ้าเปรียบมันวิหารธรรมก็เหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยขอึ้โครงเรียบร้อยแนละ้วคือโครงสร้างแต่ยังไม่มีเครื่องมวงเครื่องบงังมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความหมายของท่านก็คือ ทับเจียเป็นธรรมมุ่งไปที่ธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ของเราก็คือโครงสร้างอันนี้ทาบ้านไหนไม่มีโครงสร้างแข็งแรงมันง่นคงคือบ้านที่พักรเรารู้สัยเขาบอกว่าเมตตาข้อแรกก็คือโครงสร้างบ้านไหนไม่มีเมตตาก็เหมือนตอนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูก ไม่มีความเมตตาปราณีต่อกันมิตระทนะนเลาะเบาแว้งปากเสียงบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะโดนแดดดนฝนโดนดนแดดฝนที่บ้าน น, นก็คือเจ้าบ้านชาวเมืองเขาตำหนินินทาเป็นช่องคือเขากล่าวโทษมีโทษเพราะนั้นถ้าบ้านไหนมงบังเรียบร้อยคือพ่อแม่ลูกปูกกันอุปรมสั่งสอนอยู่ด้วยกันอย่างดีมีข้าสุขเรื่องมีเมตตาต่อกัน อันนี้คือข้อสำคัญแ้องก็คือกรุณาเอ็นดูสงสารที่จะพ้นจากทุกข์ให้ทุกคนให้พ้นจากความทุกอย่างลําบากถ้าช่วยอะไรไม่ได้แค่คิดอยากจะช่วยก็ยังดีคือความสงสารความเอ็นดูความกรุณาถ้าเปรียบเสมือนในบ้านเราก็คือมันจะต้องมีห้องน้ําห้องน้ําเป็นที่ปลด คือถ้าเรามีทุกข์หนักทุกข์เบาเมื่อไหรก็ห้องน้ํานี่ยเป็นที่ปลดทุกข์เราเลยกดช่วมแต่จริงๆเลยภาษาต่ารห้องสุ ข, ขาเราเคยได้ยินไหมคือห้องปลดทุกข์คือทําให้เราสุขง่ายเรามีทุกข์คือปวดหนักปวดเบาเราเรียกว่าทุกข์เรียกว่าทุกข์หนักทุกข์เบาเมื่อมีทุกข์เมื่อไรก็เอาไปปล่อยเอาไปเอาออกเราจะเรียกว่าห้องปลดทุกข์นี้คือลักษณะขอ ง, ของ ความการาวนาคือคิดจะช่วยเขาพ้นจากทุกข์อยากลำบากสิ่งเหล่านั้นนี่คือองค์ประกอบอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้บ้านไหนไม่มีที่ปล่อยเนี่ยอยู่ไม่ได้สมัยคนมีก็จริงเลยเข้าป่าสมัยโบราณจริงๆในบ้านไม่มีสาแล้วเข้าป่าแต่ยังไงมันก็ชื่อว่าปล่อยทุกข์เอาไปทุกมันจะต้องมีวัดก็เหมือนกันในห้องน้าห้องส้วมก็เพื่อวัตถุประสงค์คือปลดทุกข์นี่แหละ อาทุกไปปล่อยนี่ก็นาแต่ก็นามโมทิตาห น, นาก็คือห้องรับแขกถ้าเป็นในบ้านแขกไปไทยมาก็ตอนรับขับสู้น้ําท่าเข้าปลาอาหารแขกมาเยือนบางทีต้องมีถ้าปวดยังไงคือเราอยู่ด้วยกัน่ะถ้าเขาทําความดีมีความดีก็ช่วยอนุโมทนายินดีด้วยอย่าไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปขัดแข้งขัดขา นมีความหมายไม่มความหมายนะมุติตาอุเปขาคือวางอารมณ์ถ้าเป็นในบ้นนั้นคือนอนห้องนอนเราต้องนอนไม่นอนไปได้ไม่มีใครจะไม่นอนแลในบ้านมันต้องมีห้องนอนทั้งหมดนี่นคือใจถ้าใจคนเราขาดเมตตาก็เหมือนกับโครงสร้างของรูปร่างกายเราจะมีอยู่เนี่ยมันไม่มีเมตตาอยู่ไม่ได้ เหมือนตอนนี้ตอนลำบากนะีคือขาดเมตตาตอนนี้กําลังรอเมตตาจากพวกเราตอนนี้เพื่อให้ป้องกันแดดป้องกันฝนนะได้นะร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันถ้าก็ไม่มีเมตตาฝัานดีต่อกันแล้วมันก็สามารถจะทําร้ายทําลายกันได้อันนี้คือความสําคัญมาคนที่ทําร้ายกันไม่ได้ทําลายกันไม่ได้เพราะมันควมเมตตาเป็นหลักพ่าจิตหรือว่าใจเราจะต้องมีเมตตารือห้องทหนึ่งห้องสองคืออรุณา สงสารหรือเพื่อเพื่อแจะเป็นต้องมีคือจิตเราต้องมีถ้าสภาพของเจิตเราไม่มีของตรงนีอ้อยู่ไม่ได้บ้านไหนก็อยู่ไม่ได้ตามทิตามนเะช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในบ้านเราเออทีนี้เราจะอยู่ห้องไหนหมายคือว่าใจหรือว่าจิตของเราเนในขณดที่เรา อยู่ห้องกรุณาหรือต้องเอาไปปล่อยคือถ้ามีทุกข์เข้ามาอยู่ในใจเราไม่ว่าจะเป็นทุกข์หนักทุกข์เบาแล้วแต่ต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยอยู่ไม่ได้เหมือนของหนักของเบาที่เรากินเข้าไปก็เลยอุจจาระปัสสาวะก็หนักของเบาพอถึงที่สุดมันต้องเอาออกไม่อาออกไม่ได้จิตของเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อใดใดตามท่านมีสมันทุกข์เข้ามาเนี่ยต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยไม่ได้สุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาต้องวางอารมณ์ถ้าเราวางไม่ได้สมมติว่าเราไม่มีห้องนอนเลยคือไม่หลับไม่นอนเลยมันอยู่ไม่ได้ร่างกายมันอยู่ไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้าเราวางอารมณ์อะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้จักการวางอารมณ์เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่อยู่ห้องนอนห้องนอนมีให้นอนไม่นอน กูเร็ไม่หลับไปนอนมัวแต่รับแขกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักไม่ได้ห่อนคือจิตมันไม่พักเนี่ยคือความสําคัญเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักในการปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเออช่วงไหนเราจะต้องทําอย่างไรเมตตาจะใช่ยังไงทาไม่มีเมตตาเนี่เกิดอะไรขึ้นเมตตากรุณามุญตาถ้าเราอยู่ครบอย่างนี้มีคุณธรรมจริครบอย่างนี้อย่างนี้เราผมไม่หาน เป็นเครื่องอยู่ของพรหมเลยนะี่เขาเรียกว่าพรหมไปหาเป็นเครื่ อ, อยู่ของพรหมเพราะนั้นถ้าเอยากอยู่ยกระดับจิตของเราอยู่ในชั้นของพรหมจริงๆก็ต้องทําตัวอย่างนี้ต้อแยกตัวไม่ใช่บนว่าทําไมัมุตุหรือเกินเอาก็เหมือนเราทำไมเราบอกว่าปวดขี้ปวดขี้อา้าวล้วคุณไม่ทายแล้วคุณจะบ่นเออปวดขี้ปวดเจี๊ยวแต่คุณไม่เอาออกอะ่ะเออใช่ไหมคุณไม่รู้จะเอาออก ความีให้เอาออกก็ขีบมันต้องเอาออกขี้เยมันต้องเอาออกอออออก็ทุกข์ในใจเราแต่เราไม่มีทางที่กำจัดมันออกไ ม, ม่ทางเอาออกเมือนั้นการปฏิบัติธรรมหรือว่าสมาธินะี่ถ้าใครปฏิบัติได้จะเข้าใจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ก็มันมีความจำเป็นสุดท้ายถึง แ, แยกแยกออกด้วยปัญญาว่าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่เมตตากับเมตตาอย่างเดียว สัวนมาจะใช้อันใดก็จะใช้อันนั้นขอเมตตาอย่างนี้เมตตาก็กลายเป็นว่าไปขอจากคนอื่นครับไม่ขอจากครูบาอาจารย์โดยที่เองก็ไม่สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในตัวเราเองอย่างนี้ก็ได้ว่าเราโครงสร้างของบ้านเรามันไม่แข็งแรงแปลว่าบ้านมันแตกบ้านมันร้าวบ้านมันรั่วมันก็โดนแดดโดนฝนและใครลําบากก็เราเราคืออะไรคือจิตคือเจ้าของบ้านอยู่แล้ว บ้านตรงนี้ ร, ร้อนจิตของเรามาจะเดือดร้อนแต่เราไม่รู้จะหาวิธีกาจัดทำให้มันดีขึ้นอันนี้คือความหมายก็ว่าวิหารจริงๆทางเรือเขาเราวิหารเรียกวิหารว่าอาหารก็คือเครื่องอยู่อันนี้ลักษณะของวิหารธรรมคืออันนี้ถ้าใครมีคุณสมบัติเหล่านี้บุคคลนั้นเชื่อมีวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่ของใจของจิต เขาจะแยกแยกออกว่าหรือว่ามันทุกข์ก็จะไปอยู่ห้องทุกข์สิห้องอุเบกขาก็มีเราไม่อยู่คือห้องนอนมีเราไม่นอนไม่หลับไม่นอนแล้ะการปฏิบัติธรรมของพวกเราต้องกากนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้มันจะได้แยกแยะออกถูกใช่ว่าเออมันทุกข์ไปอยู่กระจมโดยไม่ยอเปลี่ยนคือเปลี่ยนห้องอยู่เปลี่ยนที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดไม่ยอมเปลี่ยนวิธีพูดวิธีธรรมซึ่งนำไปสูค่ความทุกข์นั้น แล้วก็ไม่หาสาเหตุว่าทำไมทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์มันก็แก้ได้ทุกครั้งทุกข า, กขาจริงๆเราก็แก้ทุกวันก็คือขับทายนี่แหละวันไหนเราเราไม่ขับไม่ทายเลยก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือธรรมชาติมันสอนเรานั่นก็แปล ว, ว่าความทุกข์ที่เราไม่อยู่เราต้องขับออกต้องขจัดออกทุกวันแต่จิตของเราเคยไหมมีแต่เก็บมีแต่ขังของพว น, นี้เอาไว้จนแสดงออกทางกายภาพ รูปร่างหน้าตาอารมณ์ที่แสดงออกจุขอบพอใจไม่พอใจให้เป็นผลร้ายรวกผลข้างเคียงที่เกิดจากเราไม่รู้จับปล่อยไม่รู้จับวางเสียงเหล่านี้แต่ถ้าเราปฏิบัติรมหรือนั่งส ม, งส ม, สมาธิจิตสงบแล้วสงบก็คือเป็นหนึ่งคือรวมอารมณ์เป็นเดียวอะไรมากระทบเรือผัสสะมันก็จะผัสสะ น, นกเกิดเวทนาเวทนาก็คือชอบไม่ชอบเฉย อารมณ์ของมัน ค, คือสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆันนั่นแหละแต่เราแยกไม่ออกว่าตอนเนี้มันอยู่กับเวทนาอันไหนอยู่กับอยู่กับสุขก็ชอบอยู่กับทุกข์ก็ไม่ชอบแต่ว่าเฉยๆคือวางทั้งสุขทุกข์ได้มันไม่เคยมีถ้าอารมณ์ที่ไม่เกิดจากสมาธิแล้วมันไม่เคยมีเรียกว่าอุเบขาอารมณ์ที่มันวางอารมณ์นั้นได้ก็คือวางสุขวางทุกข์นั่นแหละชื่อเรียกว่าจิตสงบเพวัะนั้นการภาวนานการปฏิบัติของเราต้องการให้วาง เพราะสุดท้ายจริงๆคือบุญและบาปที่เราทําอยู่เราก็วางได้หมดมันเกิดแก่แก่ตายพอแม่พี่น้องญาติที่เราที่อยู่สมบัติพระสถานก็ต้องวางถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้จะไปฝึ ก, ออกตอนไหนพุกธตันหมดลมหายใจมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเราถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทึงนจัดบอกว่าทุกนเนี่ยเปรื่องเป็นรายตั้งกำหนดรู้ทัดชัคําอย่างนี้มันด้ให้เราละมันละไม่ได้ละเกิดกัใครมันก็มีอยู่ทุกคน พอทุกข์ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ละแต่เราอยากละละทุกข์เมือนกันเข้าใจผิดนี้มานานแล้วให้กำหนดรู้รู้แล้วก็วางให้เขาอยู่เขาอย่างนั้นนะเราคือเราเขาคือเขาสุขคือสุขทุกทุกจะไปปนกันของเขาของเราทุกของเขาทุกของเราสุขของเขาทุกของเราอันนี้เหมือนกันไปยึดไม่หมดเปนแยกไม่ออกว่าทุกเขาหรือทุกเราสุดท้ายก็ไปทุกข์เพราะคนอื่น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเป็นทุกข์กับตัวเองบุรู้ตัวเองมีทุกข์หรือ ท, ทุกข์หนักหรือเบาตัวเองต้องเอาออกมาแช่คนนั้นปวดอือบปวดขี้แล้วก็ไปทุกข์กับเขาต้องไปทุกข์เขาออกเขาก็เองเราออกเข้าไม่ได้เหมือนกันเราปวดอือเราก็อือเองอือหนักก็ต้อดเองเบาปวดเ บ, บ า, บ า, บ า, บาแล้วก็ออกก็เราเองพอออกเสร็จแล้วมันก็เข้าอีกอย่างเงี้ย ทุกข์เป็นอย่างไง้มาเข้าออกเข้าออ ก, กตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นทุกข์ยีมกันก็คือเราไม่เคยฝึกเพื่อจะให้อยู่กับมันได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสิ่งหล่านี้ได้มายก็ว่าความคิดกับพูดการกระทําอยู่เหนือเสียน้อได้ท่านเรียกบุคคลนั้นเป็นคนผุดพ้นทุกข์คือพ้นจากวนจรรดีได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติไม่สา ม, มารถเห็นได้ด้วยปัญญา ของเรานี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาไม่ได้เห็นได้ด้วยสัญญาคือจําสัญญาเนี่ยตัวํารทีเราทุกมันเป็นเชือกมัดรัดตึงพวกเราไม่ให้หลุดไม่พน้นไอ้ตัวสัญญาไอ้ตัวปัญญามันตัวแกแต่เราไม่เคยใช้ปัญญาใช้แต่สัญญาแต่เราเข้าใจว่าเป็นปัญญามันละกลายเป็นเชือกรัดเรามัดเราลัดตัวเรื่อง ลกเกิดขึ้นหนึ่งก็มันเชื่อกกันหนึ่งล่ะลูกคนที่2องกัเชือกกันที่สองมัดอยู่อย่างนีน้มันเรื่องเดิมเหมือนกันเรื่องถึงจะเกิดมา ก, กับมัด ต, ตัวเองหรือท้าก็ไม่ได้แก่ก็เป็นปมเป็นเชือกไปเรื่อยๆไม่มสมารสุดท้ายก็ดิ้นไม่หลุดเนี่ยสําหรับคนที่คนพ้นจากเสืาากก่อมแล้วจะเรียกว่าพ้นทุกข์ก็คือแกเชือกแก่ปมเสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือจุดหมายปลายทางการปฏิบัติของพวกเราอันนี้คือสาระฝากคุณเราเพื่อ ถ้าพวเราได้คิดได้ด้วยตนเองว่าโอ้จริงๆเรามันไม่ใขรที่ไม่มีทุกเลยทุกหนักหรือทุกเบาทุกมากหรือทุกน้อยคนที่ไม่มีทุกมันไม่มีแล้วจะอยู่กับทุกข์ยังไงจะเอาทุกออกกันไหนมันเป็นเรื่องของเราที่จะการบริหารนั้นเองเ่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็อย่างนี้แหละทุกดาตุเบาออกทุกวันที่สาคัญทุกเกิดจากอะไรก็เราป้อนเข้าไปไง พอนเข้าทางปากไม่ว่าจะเป็นทุกหนักหรือทุกเบาเนี่ยก็เกิดจะกเราป้อนเข้าไปทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ป้อนเข้าไปเหมือนกันใจเราเนี่ยเหมือนกันเราเอาเข้ามาสู่ใจเราเองแล้วก็อออกไม่ได้จินะี้มันก็คังไว้ในใจมันกลายเป็นของเนา่าของเสียคืออารมณ์อารมณ์มที่เรารับมาแล้วไม่สามารถบริหารจัดการออกไม่ได้คิดไม่ได้มันได้กลายเป็นของเสียของเนา่าของเหม็น ที่ในตัวเราตําใจให้ใจมันเน่าใจมันเหม็นใจไม่สะอาดตันเองวิธีชําระคือชําระอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆถ้าเราไม่ดูทุกวันไม่พิจารณาทุกวันเรื่องอย่ต้องพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันจนเกิจนชินจนเข้าใจจนสุดท้ายก็อยู่กับเขาได้เขาเขาเราก็เราพบประสบทุกคทุกนี่ไม่เคยเป็นเจ้าของก็วางอารมณ์ได้ถ้าแค่วางไใ้กังแจก็ไปไกล เพราใจเราไปไปไหนไม่ได้ไปไกลไม่ได้เพราะเนี่ยมันพันแข้งพันขามันดึงเอาไว้มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้เป็นของถ่วงจิตแจงเราไม่ให้ไปไกลไม่ให้ไปสูงไปกว่านี้เพราะเสียงเรานี่มันมัดเอาไว้มันดึงเอาไว้เหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกแต่จิตสะอาดบริสุทธิ์จิตมันเบาของเบามันก็ไปเร็วมันก็ไปสูงของหนักมันก็ตกลงข้างล่างนี่อันนี้คือธรรมชาติเหมือนหินโยนหินลงไปแล้วหนักลงข้างล่าง เดินสำลีไปก็ขึ้นข้างบนเพรนเบาสภาวะจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตเราเบามันก็ไปได้สูงไปได้ไกลแต่จิตมันหนักมีแต่ของหนักๆทั้งนั้นทุงหนักทุกเบาเนี่ยมันก็มีแตเป็นของเนาของเสียของหนักสุดท้ายมันทําร้ายทําลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตนาของเราทุกคนช่วยกันสร้างของร่างเมตตากรุณาเมตตาเปกขาเป็นเครื่องอยู่เรววิหารธรรม แต่ที่สาคัญถ้าเราสร้างเสถียรได้สถานที่อย่างนี้จะเป็นที่บ่อเกิดของพระอริย์บ่อเกิดของพระทำคนธรรมดาปุถุชนนําดาให้เป็นพระแต่พระธรรมดานเป็นพระอริยะเกิดขึ้นสองสามรูปหรือรูปเดียวเดียวคุ้มที่เราลงทุนไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเทวีพระสวนมนุษย์ที่เราทำอันนี้ก็คือเป็นที่ทําให้คนชําระความม่ดีให้เป็นคนดีถือเป็นสถานที่เป็นมงคล ท่านก็อนมทนาที่ทุกคนเราทั้งหลายที่ในส่วนร่วมตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มพวกเราชาวบ้านเติบไปเป็นก่อก่อรังสร้างตัวกันมาตั้งแต่แรกตังตเริ่มจนสร็จเสร็จสิ้นไปสุดจะหมดเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแต่ขนาดนี่ถือวาเรามาไกลแล้วไกลแล้วเดือนหน้าก็หลังคาขึ้นก็มันป้องกันได้ในระดับหนึ่งละถ้าโครงสร้างผนังหลังคาเสร็จปูพื้นก็สําเร็จละก็ ตอนนี้ก็ใกล้สําเร็จแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พวกเราทั้งหลายได้เสียสละกู้การเวลาเพื่อมาทํานุบํารุงอศาสนาก็เป็นบุญก่อของเราแหละเสียงเราเนี่ยจะเป็นที่พึ่งจะเป็นสเสบียงจะเป็นปัจจัยช่วยโน้นสงฆ์เราให้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็เราก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญทางธรรมเพราะเราก็ต้องจำเป็นต้องอยู่กับโลกและธรรม ขาดอันใดไม่ได้แบบโลกเรียบสุดตรงก็หนักแต่มาแบบธรรมเลยสุดตรงมันก็ไม่ได้เพราะเรยังมีภาระอยู่อยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้ประสบการเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกทา่ท า, ทาทนเดิดไม่ อ, อะไรมีใครจะถามไหม ใครมีปัญหาไหมไม่ใช่นักเลงนะกำลังถามว่าใครมีคำถามไหมคำถามก็คือปัญหานั่นแหละจริงๆแล้วมันไม่มีใครมีปัญหาไม่มีใครที่มีปัญหาคือไม่มีคำถามแต่ว่าคำถามนั้นปัญหาได้รับคาตอบด้ว อ, อย่างท่า น, นั้นเองเพราะว่า สุดทายที่เราสะสมมาทั้งหมดก็เรื่อปัญหาชีวิตเทําไมต้องมีปัญหาชีวิตนะเพราะมันไม่มีครัตอบมันตอบไม่ได้มันกลายเป็น ป, ปัญหาแต่ถ้าเราตอบได้มันคงไม่เรียกปัญหาปัญหานี้ตอบได้ปัญหานั้นมันก็ไม่มีละหือตอบโจทย์ตายแสดงว่าพวกเราเลยมีปัญหาเลยหรือว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาเนาะ ดีแลวอยู่ดีกันจะมีปัหาไ